นั่นโยอย่าไปดูอย่างอื่นตั้งสติกำหนดใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายความตายเนี่ยมันมีอยู่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 กิเลสมันก็ลุกขึ้นมาครอบงามจิตทำให้จิตมัวหมองทำให้จิตพุ่งสร้านสงบอยู่ไม่ได้ดังนั้นให้พากันรู้จักกิเลสกิเลสนี่แหละมันบรบกวนจิตใจใเป็นทุกข์อยู่ในโลกสงสารนี่อยากเข้าใจว่าเป็นของดี เช่นราคะความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นของดีอย่าไปชื่นชมยินดีกับความกำหนัดนั้นต้องเตือนตนเสมอว่าราคะกีนาพระที่เจ้าทรงตรัสไว้ว่าไฟคือราคะแสดงว่าราคะนี่มันร้อนเหมือนไฟ เผารนจิตใจให้วุ่นวายหาความสงบไม่ได้เตือนตนให้มันเห็นว่าราคามันไม่ดีอย่างนี้จิตใปสร้างมันขึ้นมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคนเอาถ่านไปหรือเอามือไปจับถ่านไปนั่นแหละไฟมันก็ไหมมือเจ็บปวด อันนี้ชันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตไปยึดเอาความรักความใคร่มาเป็นอารมณ์ความรักนั่นเป็นของร้อนมันก็เผาจิตเอาก็เราร้อนอย่างนั้นแหละดังนั้นเน่ะให้พึงพากันพิจารณาหเห็นโทษแห่งความรักความใคร่พิจารณาหเห็นโทษแห่งความกโกรธ ความโกรธนี่ไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยความโกรธนี่นะมีแต่โทษน้อยหนึ่งกับมีโทษหลายก็มีโทษอันนั้นนะพิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นความโกรธนี่ว่ามีโทษคือทำให้ไปก่อกรรมก่อเวรกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่น โกรธมาแล้วแสดงกิริยากายหยาบคายออกไปเช่นทุบตีผู้อื่นอย่างนี้นะแสดงกิริยาหยาบทางวาจาเช่นกล่าววาจาหยาบคายด่าพ่อล่อแม่ด่าโคตร่าวงกันมาด่าไอ้หมูไอ้ม้มา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 โลกเขาถือว่าคำพูดเช่นนั้นไม่ดีหยาพายคล้ายๆก็รังเกียดองค์เจ้าก็ บ, บัญญัติห้ามเป็นงั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเสมอเละอย่าไปส่งเสริมมันต้องพิจารณาทุกวันทุกคืนไปเลยไม่เช่นนั้นแล้ว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 ให้เกิดความสังเวชสลดใจว่าตนมาหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้หลงตาหลงหูหลงจมูกหลงลิ้นหลงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ ท, ทั้งๆสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนริงจังแล้วก็หวงไว้แล้วก็กลัวตาย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 อากาศเทวดาหรือพูดผีปีชา อ, อนาคุดคนทันสุบันอะไรแบบนี้นะถือว่ามีฤทธิ์มีเดชสามารถทำให้คนเจ็บคนป่วยล้มตายได้นี่เป็นลักษณะของความหลงของจิตใจผู้ใดเห็นอย่างนี้ในทุรศาสนาท่านเรียกว่าหลง หลงเข้าใจผิดไปแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทำชีวิตของคนเราให้เป็นสุขเป็นทุกข์ให้เสื่อมให้เจริญแต่อย่างไดเพราะว่าสัตว์ทางร้ายมีกรรมเป็นของตนต่างคนต่างก็สเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทำมาแล้วแต่ผลหลังทั้งนั่นแหละ เหตุนัานจะมีสิทธ์อะไรไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ไม่มีแง่เพราะมันมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอนะ่ะอันความหลงนี่นะ่ะมันจะแก้ได้ด้วยการที่เราภาวนาทำสติให้เข้มแข็ง ควบคุมจิตใจสงบนิ่งอยู่ภายในนั้นเมื่อจิตนิ่งอยู่แล้วบัญญามันเกิดขึ้นมันก็มองเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นนั้นได้ตามความเป็นจริงดังนั้นจงพากันตั้งใจภาวนา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 มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมามีกรรมเป็นกำรรเนิดให้เกิดขึ้นมามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดจะทำกรรมอันใดผู้นั้นจะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นพระพุทธองค์แสดงไว้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธควรจะพากันพิจารณาเรื่องกรรม ตามตกแต่งตนให้เกิดมาเป็นคนนี่นะหรือว่าพี่นาถึงกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นมันตกแต่งให้บุคคลเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงซึ่งความเสืม่มถันผู้มีกรรมชั่วติดตัวแล้วไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์ในที่นั้นนั่นแหละกรรมชั่วมันจะอํานวยผลให้เป็นทุกขไม่มีเลย ผู้ทํากรรมดีใส่ตัวแล้วสละกรรมชั่วออกไปแล้วอย่างนี้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขในที่นั้นบุญตกแต่งให้อืมบุญตกแต่งให้เพราะตนทําบุญบุญก็ตกแต่งให้ตนมีความสุขอย่างนี้นะตนทําบุญคือทําความดีอย่างเช่นเราทํากันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอ่าผู้มี ศรัทธาแต่ยังเล็กยังน้อยพอได้โอกาสก็ขอมาบวชในพุทธศาสานานี่สันหละความสุขเล็กๆน้อยๆนะออกมาสุขในการนอนสุขในการกินนั่นนวดแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นหมนีนะนอนอยู่บ้านนอนจนเต็มหูเต็มตา ไม่รู้จะตื่นอะไเนยไ ม, ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศลอะไรมีแต่นอนลูกเดียวเมื่อมาบวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดวาอารามแล้วหรือเป็นพระกด็ดีจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเลื่อนขั้นแห่งชีวิตแล้วชีวิตนี้เรียกว่ามันก้าวขึ้นไปขั้นสูงขึ้นไปอีก ผู้ผู้นำชีวิตของตนในก้าวสูงขึ้นไปมันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติเข้มงวดไปกว่าเดิมไม่ใช่ว่าก้าวขึ้นไปสูงแล้วเราไปนั่งกินนอนกินไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนี่จะไปทำเหมือนเทวดานั้นไม่ได้อันเทวดานั้นกระมือแต่เป็นมนุษย์นี่เขาเอาทุกเป็นทน่ะ สร้างบุญสร้างกุศลไม่เห็นแก่ความยากลำบากอะไรทุกข์ยากก็อดเอาทนเอาขอให้ได้บุญขอให้มีศีลมีธรรมอยู่ในตนขอให้มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ในต น, นนี่เขาสร้างบุญกุศลแต่เป็นมนุษย์นี่มากมายเมื่อนั้นเขาตายแล้วบุญกุศลอันนี้จึง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 ผู้นับถือผู้ศาสนาต้องเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวดังกล่าวมาแล้วนั้นเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่แหละว่าเป็นสิ่งที่อำนวยผลให้ตนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตนทชำชั่วกรรมชั่วก็ อ, อานวยผลให้เป็นทุกข์ตนทำดี กรรมดีก็อำนวยผลให้เป็นสุขต้องเข้าใจอย่างนี้มันจึงถูกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตนภาครียมพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปตนก็สิ้นทุกข์ทุกข์ก็ไม่ได้ติดตามตนเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่มีทุกข์ติดตามไปรบกวนอีกแล้ว มีแต่สุขร่วนล่ว น, วนดังนั้นผู้ที่จะได้สุกร่วนล้วนอย่างนั้นต้องเอาทุกเป็นทุนสร้างบุญบา ร, รมีละความชั่วไม่เห็นแก่ความสุขสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยสามารถเน้นน้อยนี่ก็นับว่ามีบุญบุญบันดาลให้สละความสุข เด็กๆน้อยๆเหล่านั้นมาบวชประพฤติพรมหมจรรย์ขยันมันเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินกินพออยู่ได้เอ้อนึกอย่างนั้นเราฉันเข้าคาบเดียวอย่างนี้นี่มันก็อยู่ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าหากว่ามันอยู่ไม่ได้พระศ า, ส, าสดามไม่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 ม, มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ร่างกายจิตใจอันนี้นะแต่โดยเฉพาะเรื่องจิตนี่แหละเมื่อทุขความสุขนี่ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนความรู้สึกทุกข์หมายความว่าเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติอยู่ก็เป็นทุกข์กินได้นอนหลับอยู่ก็เป็นทุกข์นี่นะ คันเมื่อร่างกายนะนี่มันวิบัติแปรปรวนไปกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับอย่างนี้เอาแล้วร่างกายนี่ก็วิบัติแปรปวนกระทบกับจิตนี้จิตนี่ก็รู้สึกเป็นทุกข์ถ้ารู้เท่าก็อดเอาทนเอาไม่ไม่โศกเศร้าเสียใจต่อความทุกข์ความวุ่นวายของกันหน้านี่ผู้รู้เท่านะ ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกขเวทนาก็สั ก, กว่าจะเวทนาเวทนามันก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเมื่อขันห้าไม่ใช่เราแล้วทุกขเวทนาสุขเวทนาก็ไม่ใช่ของเราต่ต้องเข้าใจอย่างนั้น จิตนี่อาศัยอยู่ในขันห้าแต่ไม่ใช่ตัวขันห้าเพียงจะอาศัยโยเหมือนใบบัวอาศัยน้าอยู่นั่นแหละอย่างนี้แหละแต่ใบบัวก็ไม่ใช่น้ำแต่น้ำก็ไม่ใช่ใบบัวต้องให้เข้าใจอย่างนั้นใบบัวก็พอใบบัวน้ำก็พอน้ำแต่อาศัยกัน อืออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ก็อาศัยขันห้าอยู่อแต่ไม่ใช่ตัวขันห้าแต่ขันห้านี่ก็ไม่ใช่จิตออืต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าเข้าใจว่าจิตก็คือขันห้าขันห้าคือจิตอย่างนี้พ้นทุกข์ไม่ได้เลยแน่นอนทีเดียว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 ผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอถ้าเป็นอย่างว่านะั่นนะเพราะว่าเมื่อจิตตรงนี้กระสูญไปแล้วบุญกุศลที่ทําก็หมดไปตามกันอแล้วมันจิตเต็มได้ยังไงอาหะนีิบุญนะอผู้สร้างบารมีเป็นพระเจ้าก็ดีไม่มีทางเต็มเลยแต่นี่มันแตกมันดับไปแต่นามกับรูปเท่า น, นั้นเอง แต่ดวงจิตไม่ได้ดับไปกับน้ํากับรูปนี้ดวงจิตตรงนี้มันเป็นมันเป็นต้นตอของบุญของบาปก็ว่าได้อืมถ้าจิตยึดเอาบุญไว้าบุญก็นําจิตนี้ไปสู่ที่สุขสบายอย่างที่ว่ามาแล้วหนึ่ะถ้าจิตนี้ยึดเอาบาปไว้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 ไปนิพพานนะ่ะใครจะเป็นผู้ไปสวรรค์ไปนิพพานอืมนั่นแหละให้เพ่งพิจารณาดูให้มันเห็นชัดโดยปัญญาอย่างนี้อืก็หมายความว่าจิตนั่นแอืะเป็นตัวตั้งตัวตีนั่นแหละเหมือนอย่างคนนี่นะคนนี่ สร้างงานผาหน้ขึ้นแล้วคนก็ขึ้นเป็นนั่งงานผาหน้นั่นแล้วก็ติดเครื่องก็ไปงานผาหน้ามันก็วิ่งไปคนก็ไปตามงานนั้นอไปถึงจุดหมายปลายทางถ้างานนั้นไม่เสียหายอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อจิตนี้หากมีความเห็นถูกเห็นชอบอยู่อย่างเนี้ย มันก็สั่งสมอติบุญแต่กุศลไว้ในตนของตนไม่สั่งสมเอาบาปไว้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมือ่อผู้ได้ฉลาดรู้จักสั่งสมอติบุญกุศลใส่ตนไว้ส่วนบาปนั่นไม่เอ า, อาีิบุญกุศลมันก็เหมือนอย่างงานภาณนะที่นายช่างเขาทำดีแล้วนั่นแหละ ไม่เสียไม่หายอะไรอะ่ะอย่างนี่พอติดเครื่องเข้าแล้วมันก็พาวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางได้อันบาปกรรมนี่จะไปอุปมาเหมือนญาณไม่ได้เลยบาปกรรมนี่อุปมาเหมือนอย่างล้อเกวียนเหมือนอย่างแอกทับอยู่บนคอบัวเขาเจ้าเปรียยไว้นะอืมธรรมดาแอกทับอยู่บนคอบัว มันก็นหนักอยู่ตลอดเวลาเลยบรรทุกสิ่งของหนักด้วยอย่างนี้นะหัวนั่นก็ต้องแบะเอาแอกนั่นดันไปตามทางอยู่นั่นเนะี่ยทนทุกข์ทรมานไปเป็นอยงั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะ่ยบุคคลผู้ชื่นชมยินดีในบาปในอคุสลไปยึดเอาเช่นยึดเอาความโลภยึดเอาความโกรธ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 เห็นตัวกิเลสอ่ะเห็นได้เลยความโลภนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธเป็นอย่างนี้ความลงเป็นอย่างนั้นมันก็รู้มันก็เห็นได้โดยตนเองอ่าเป็นอย่างนั้นถ้าว่าไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระ ง, งับแล้วกิเลสมันหุ้มห่อจิตไว้ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็น ที่ไหนตันหาเหล่านั่นได้เลยอุปมาเมัอนยังตาตาที่มีฝ้าปิดบังอยู่มันก็มัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยเห็นพอหลัวๆเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าหมอ เขาลอกฝ้าในที่หุ้มห่อตานั่นอยู่ออกไปอย่างนี้นะตานั้นก็ใสสว่างขึ้นมาทันทีเลยอมเป็นงั้นมองเห็นอะไรก็ดเห็นชัดเจนได้เลยอืาข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเน่ะเมื่อเราเพียรพยายามลอกราคะทสสโมหานี่ออก จากจิตนี้แล้วจิตนี้ก็ผ่องใสขึ้นมาเมื่อจิตผ่องใสขึ้นมาแล้วก็รู้จากทุกข์แล้ววันนี้นะอ้อที่พระพุทธเจ้าว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนาะเกิดมาแล้วมีรูปมีกายนี่มาความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดบีบคั้นเข้าไป เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ปวดหั ว, วตัวร้อนปวดท้องหาปกความปกติไม่ได้นี่หละถ้าใจสงบปัญญาเกิดกระมองเห็นโอ้ร่างกายขันทางานี่เป็นทุกข์จริงมันปกติอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าสัตว่ามันเป็นอนาาัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้เลยสังขารร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาอ น, นี้เนี่ยเดี๋ยวพระ<ๆ>องค์ทร ง, งสอนว่าแล้วทุกข์เหล่านี้ขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้มันเกิดมาได้อย่างไรไเกิดมาจากอะไรอื้ มันเกิดมาจากตัณหาตัณหาความทะเยอะทะยานอยากแล้วก็มีอวิชชาเป็นเพื่อนมันอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสตั้งๆในโลกนี่ถือว่าน่าเฉยชมน่ายินดีพอใจจะเกิดยึดเอาเป็นอารมณ์ไว้ในใจ แล้วก็แสวงหาแบบนี้น่ะอ่แสวงหาด้วยความยากความลําบากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตัรหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะมันเป็นงั้นที่น่ามันเห็นอเมื่อใจมันยึดมันพอใจอย่างนั้นมันทําบุญกุศลทําอะไรไปก็มันก็มีความปัจถานให้บุญนั่นตกแต่ง ให้ตนได้รูปสวยๆงามๆได้ฟังเสียงไพเราะได้สูดกลิ่นหอมหวนได้รับรสอาหารอร่อยอได้นั่งนอนพูกเบาะ ห, หมอนอันอ่อนนุ่มนิ่มได้สัมผัสกับของที่ละเอียดอ่อนผ้านุ่งผ้าห่มอถ้าได้ ผ้าเนื้อละเอียดมานุ่งหัวหอมก็ติดอกติดใจดีใจอยู่กับผ้านั้นนี่เหล่บ้านช่องได้สร้างขึ้นละเอียดประ น, นีปวันจงอะไรก็สวยงามเครื่องตกประดับตกแต่งอะไรก็สวยงามอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่รู้เท่าแล้วมันก็ติดแล้วมันกันพออกพอใจอยู่ในบ้านในเรือนนั้น ทำบุญกุศลอันใดก็ปารนาให้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะบุญกุศลมาก็แต่งให้อ้ามาเกิดเป็นคนขึ้นมาบุญกุศลก็แต่งให้มีบ้านมีเรือนอยู่อาศัยสบายสบายมีเงินมีทองมากมายอย่างนี้นะจิตใจก็ไปติดข้องอยู่ในเงินในทองในบ้านในช่องอะไร ลาบยศต่างๆหมดนั้นติดข้องอยู่แล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขอย่างนั้นตลอดไปหาไม่ได้นานไปก็สิ่งเหล่นั้นก็เกิดวิบัติไปหรือถ้าสิ่งเหนั้นไม่เกิดวิบัติร่างกายสังขารก็แปรปรวนไปหาทางแตกหลับหาได้อยู่สวยสุขสมบัติอันนั้นตลอดไปไม่ อันนี้แหลที่พุติเจ้ารวสตราสัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จงพากันมิจนารนาให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ละมันเสียนี่ส่วนทุกข์นั่นพระศาสดาสอ น, อนละไม่ได้ในเมื่อจิตยังอาศัยขันหานี่อยู่ตราบใดก็จะต้องได้สัมผัสกับความทุกข์อยู่ตราบนั้นแต่การที่ มาฝึกฝนจิตให้ละความอยากความบาดธนาอย่างว่านั้นทําไดเ้เมื่อเราเห็นโทษของมันแล้วแล้วก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงอย่างเป็นนักบวชอย่างนี้แหละก็ตัดทอนความอยากให้น้อยลงเลยเอืมบริหารเครื่องใช้ไม่สอยใดเับพระพุทธเจ้าก็ทรงเ อ, อวางระเบียบให้มีแต่พอทมมาสมควรไม่ให้พุ่มเพลย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 ที่สาวทอผ้าไหมให้สวยงามแล้วก็ไปวานให้ขอร้องเพื่อนช่วยตัดช่วยเย็บให้กอตัดเย็บเสร็จแล้วย้มตากให้แห้งแล้วก็พับไว้ว่าวันพรุ่งนี้เราจึงอย่าพินทุกอธิษฐานใชแเอาตกกลางคืนมาเกิดโรคปัจจุบันร่นนขึ้นเมื่อรู้ว่าตนจะตายก็นึกถึงผ้าตอนนั้น แม่พี่สาวของเราทําผ้าไหมมาให้เราก็จะไม่ได้นุ่งได้ห่มแล้วจะมาตายเสียลหนอจิตใจเราไปเพ่งพัวพันอยู่ในผ้านั้นพอตายลงมันก็เกิดเป็นเลนน่ไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้านั้นเลยวันนี้พระทั้งหลายจะเอาผ้านั้นมาตัดแจกกันเลนนั่นก็ร้องให้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 เลนตัวนั้นได้อาศัยผ้านั้นเป็นเครื่องอยู่ไปเจ็ดวันอ่ากรรมอันนั้นมันก็หมดไปอันนี้สงแห่งการบวชนั่นก็นำไปเกิดสู่สวรรค์อ่านั่นแหะแต่ยังว่าตัณหาอุปทานนะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้เองนะอ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนผู้บวชเข้ามาแล้วหรือไม่บวชก็ตามเนี่ยก็ต้องพิจารณาปัจจัยสี่นี่ให้รู้เท่าแล้วจึงค่อยบริโภคใช้สอยรู้เท่าว่าผ้านุ่งผ้าหมก็ดีแม้จะเนื้อละเอียดแล้วอ่อนเนื้อละเอียดละออยังไงก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็แต่ก็ดับไปเหมือนกันเนี่ย กับร่างกายนี่นะอาหารการบริโภคจะอร็ดอร่อยสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยรับประทานเข้าไปแล้วก็กากมันก็ถ่ายเทออกไปก็เป็นธาตุดินของเกาเป็นอย่างนั้นส่วนอาหารส่วนละเอียดไปธาตุย่อยแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ไว มันก็หมดอายุของมันได้ชั่ว ว, นนนนวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ถึงคืนไม่ถึงวันหนึ่งคือหนึ่งซ้ำวันเดียวไปทําการทํางานเข้าไปอาหารอันละเอียดแล้วนั้นก็ลังไหลออกมาภายนอกที่เรียก ว, ว่าเหงื่อใครนี่แล้วก็ถ้าไม่ชาระละ้างไม่ขัดถูปล่อยไว วันสองวันสาวันก็ส่งกิ่นเหม็นออกมาลวเลยเป็นอย่างนั้น น, นี่แหละเพราะฉะนั้นพี่เจรานามันเห็นเรื่องนี้มันก็ไม่ยินดียินร้ายในอาหารนั้นฉันก็สั ก, กว่าแต่ฉันไปพอประทังชีวิตนี้ให้อยู่ได้พะพื้นพอมาจันได้บำเพ็ญบุญกุศลให้แก่ก้าขึ้นไปเท่านั้นเอง ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาติดมาคล้องอยู่ในร่างกายนี่ว่าของเราของเขาไว้ห่วงเห็นไม่ยอมไม่ใครด่าว่าตีเตียนเลยถ้าใครด่าว่าตีเตียนแล้ก็โมโหโทโธขึ้นมานั่นก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นกนะ็ต้องพิจารณาให้รู้เท่าผ้าหนุ่งผ้าห่ ม, ามอาหารการบริโภคต่าง ตลอดถึงบ้านช่องหรือปุตติวิหารอะไรที่เขาสร้างถวายจะละเอียดปานนี้ยังไงก็ตามเราไปอยู่อาศัยต้องพิจารณาให้รู้เท่าอย่าไปกำนัลยินดีในที่อยู่อาศัยอันนั้นมยุกยาโรคไข้ไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วกำมีผู้เอาอยุกอายามาถวายให้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 เราไม่เราชั้นหยุดชั้นดารักษาโรคไันี่ไม่ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายนี่อ้วนพีดีงามาแล้วเอาไปอวดคนอื่นเข า, างี้ไม่ใช่นั่นเป็นกิเลสไม่ถูกทางพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี่ให้เห็นแจ้ง ร, รมเป็นจริง แล้วจริงค่อยบริโภคใช้สอยมันก็ไม่เป็นโทษอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ก่อให้เกิดกิเลตสต่างๆนานานี่คอยเข้าใจไว้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามไปเสมอๆแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยสี่นี้ เป็นเหตุพอหลงไหลในปัจจัยสี่นี้เราพิจารณาเห็นร่ากายนี้มันไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอุปาทานจิตใจที่มายึดถือร่างกายนี้มันก็ไม่มีอาศัยอยู่ก็สักว่าแต่อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราของเขาอะไรเลยนี่อุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจจัยให้บังเกิดพบ หมายคอหมายเขาว่าเมื่อจิตใจยึดถือภัตสี่กันห้าหรือว่ายึดถือบุญหรือบาปอะไรในชาตินี้แล้วนบุญบาปนุ้มันก็นำดวงกิจนี้ไปเกิดในพบในชาติอื่นต่อไปอีกแล้วมันก็แก่เจ็บตายอีกอย่างนี้นะหมุนเวียนกันอยู่เนี่ยอุปทานความยึดมั่นถือมั่น มันพาให้เกิดไม่รู้จักจบเลยอืมดังนั้นจงพากันภาคเพียนละมันไปเรื่อยๆอย่าไปท่อไปถอยเราเป็นทุกข์เดือดร้อนกับกิเลสตัณหากับอุปาทานจิตใจไปหลงยึดหลงถือของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้มานับชาติไม่ทวนแล้วที่ร่วงแล้วมามากับเป็นทุกข์กับ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 ออืแข้งขาอันใดก็อ่อนเปรี้ยวเพรียรงถ้าไม่ระวังก็หกล้มอมือันมูนี่นะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอยู่เสมอเสมอแล้วก็มันก็ไม่ติดไม่คล้องแหละมันนีอมันก็ไม่ติดไม่คล้องมันถ้ารู้ว่าเห็นด้วยตนเองเนะี่ยออืมันรู้ขึ้นในจิตนั่นแนะ่ละรู้ว่าจิตไม่คล้อง อยู่ในนามมาทธรมรูปประธรรมอันนี้หรือว่านอกรูปประธรรมนามประธรรมอันนี้ออกไปจิตก็ไม่คล้องเลยอย่างนี้นะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ตนเองเนะี่ยผู้ใดภาวนาทำใจสงบระงรับแล้วนะมันก็มองเห็นทุกมองเห็นเหตุที่เกิดทุกข์อย่างนี้แล้วก็มาพยายามละเหตุอันนี้ ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ระ ง, งับเหตุอันนี้หรือระ ง, งับตัณหาความในเยอทยานอยากให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่เนี่ยเมื่อตัณหานี่ดับไปเท่าใดทุกก็ดับไปเท่านั้นทุกทางใจนะเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิโรธแปลว่าความดับคือตัณหามันดับจากจิตนี้ แล้วทุกทางจิตนี้ก็ไม่มีฮะนี่ทุกทางจิตก็ดับไปจิตเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่ก็เพราะตัณหามันเผาเอาเรื่องมันนะความอยากนี่แหละมันเผาจิตใจให้ถ้าเยอะอทะยานอยากได้นู้นอยากได้นี่ไม่มีสิ้นสุดอย่างนั้นตัณหานี่พระศาสดาจึงทรงสอนให้เพียรละ เหลียนละให้มันน้อยให้มันเบาวางไปเรื่อยๆตัญหาที่จะพาไปสู่นรกอบายภูมิก็คือตัญหาอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ตัญหาอยากลักทรัพย์สมบัติของผูอื่นมาเป็นของตนโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นช่อเอาโกงเอาหลอกลวงเอา เรานี้แหละได้ชื่อว่าตั้นหาความอยากในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเองนั้นอยากได้สมบัติผู้อื่นเาเป็นของตนมันเป็นบาปเป็นโทษแต่ถ้าตนหาเอาด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาของตัวเอง แล้วได้มาทำความรู้เท่ามันตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาแล้วบริโภคใช้สอยไฟมันก็ไม่เป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรอะไรเลยอ่ามันเป็นงั้นก็ต้องผู้ปฏิบัติธรรมในพรทศาสนาเนี่ยควรเข้าใจอย่างนี้มันจึงจะดับทุกข์ทางใจได้ไม่มากก็ น, น้อยแหละ ไม่ประพฤติผิดในการไม่มากมากในการมคุณมีผัวเดียวเมียเดียวสำหรับผู้ครองเรือนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรอะไรสำหรับนักบวดแล้วต้องเว้นจากการชื่นชมยินดีในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหมดเลยแม้แต่มือก็ไม่ไปแตะทอง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 อย่าไปอ้างนุ่นอ้างนี้พิจารณามันเห็นชัดลงในใจว่าเป็นของแตกของดับไม่ใช่สวยงามอะไรสวยงามตั้งแต่ผิวนอกเท่านั้นเองหกอนในผิวหนังเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามก็พิจารณาเข้าไปอย่างไนให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็ตัณหามันก็ ระงับไป เ, เรื่อยๆไปนะอืมแล้ววาจาคำพูดก็เหมือนกันมันก็ออกมาจากปัญหาทันเมื่อมันอยากได้สมบัติก็จะ า, านของผูืนเอาเป็นของตนมันก็ใช่วาจาหลอกลวงช่อกงโกหกขกลมเอานี่วาจาอันนี้ก็ดีมันก็มาจากคิตนั่นเองแหละดังนั้นถ้าคิดไม่อยากแล้วอย่างนี้วาจามันก็ไม่ พูดก็หกไม่พูดหลอกลวงอยากได้สมบัติปื้นเอาเป็นของตนมันก็ไม่อยากตนหามาได้เท่าใรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ภาคเปลียนพยายามปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระศ า, าสดาทรงสอนไว้ เก่าโดยโยกก็คือผู้ครองเลื่อนก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการพังธรรมไว้พระภาวนาถ้าเป็นนักปวดก็บำเพ็ญศีลวินันยให้บริสุทธิ์ด้วยดีแล้วบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เป็นไป ต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในตนเมื่อศีลสมาธิปัญญานี่งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจแล้วจิตใจนี้ก็มันก็รู้ทีนี้มันก็รู้อะไรเป็นทุกข์ทุกข์กคืออะไรมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็รู้ว่าเหตุที่เกิดทุกข์คือตัณหามันก็รู้ชัดบว่านี้นะ ตัญานี่คนละมันก็ละไปเรื่อยๆฮะนี่มันรั่ะไม่ใช่สะสมให้มากเกินไปเป็นการตัดทอนความอยากให้น้ยอยเข้าไปดูลำดับอ้าวถ้าปูครองเรือนก็จะคิดว่าอเอาไปล่ความอยากนี่แล้วจะเอาอะไรมากินกับที่คลานไม่ทำงานนะสอะิอันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเนี่ม ต้องคิดไม่คิดก็ไม่รู้พระศาสดาทรงสอนธรรมะธรรมสอนนั้นไว้หลายประเภทหลายขั้นตอนเพื่อเหมาะสมแก่บุคคลหลายระดับจะพึ่งปฏิบัติตามได้ผู้ครองเรือนก็ร่าตัณหาความอยากอันแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปในทางที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร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 อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรอืให้พากันเข้าใจเรื่องตัณหานี่แต่หรับเป็นนักบวชแล้วนั้นไม่ควรจะอยากอะไรเลยเพราะว่ามีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยผู้อื่นมีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยชาวบ้านปัจจัยทั้งสี่นั้นล้วนแต่ชาวบ้านขวนขวายมา เนื้อถวายไปเช่นผ้าหนุงผ้าโฮมเขาก็ทอดกระถินบ้างบังสกุลบ้างถวายซึ่งซึ่งหน้าเลยมีอย่างนี้แหละพระสง์องค์เจา้าไม่ได้หาเงินนะทองไปซื้อไปหาเอานี่ข้าวน้ำโภชนาะอาหารชาวบ้านเขาก็ทำนาทาไร่ทำสวนอะไรแล้วก็ แบ่งกินแบ่งทานส่วนหนึ่งก็ถวายทานส่วนหนึ่งก็กินพระนี่ก็ต้องรับทายทานจากชาวบ้านรับอาหารจากชาวบ้านมาขบมาฉันก็ไม่ได้ไปหาด้วยตนเองดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าการขบการฉันในฉันมือเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเราชีวิตของเราเนื่องอยู่ด้วผู้อื่น จะไปฉันมากอย่างปลูกครองเรือนอันนั้นเขาหาเองเขาหาเองเขาต้องการจะบริโภคเวลาไหนเขาก็บริโภคไปอืมนักบวชนี่เราอาศัยชีวิตอาศัยเป็นอยู่จากชาบ้านนะดังนั้นก็จึงทําตัวให้เป็นผู้มักน้อยเข้าไปไม่มากมากในอาหารฉันมื้อเดียวแล้วก็พอแล้วอืม เป็นอย่างนั้นการที่บุคคลมาพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษแห่งปัจจัยสี่นี้อยุกยาแก้โรคภัยแค่เจยบก็เหมือนกันที่ที่อาศัยก็เหมือนกันต้องพิจารณาให้รู้เท่าว่าล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงนั่งของเหล่านี้นะของแตกของดับร่างกายไม่เที่ยงชันใดปัดจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายก็ไม่เที่ยงชั้นนั้น ต่างก็หมดอายุแล้วมันก็แตกดับไปทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาลงอย่างนี้แล้วมันก็มันก็รู้เท่าหานี้มันก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในปัจจัยสีน่นี้แล้วก็ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ก็เพาะเราภาาเคียร์เมียรยามภาวนาให้ใจสงบแล้วก็จเจริญปัญญา ไทยความคิดความนึกวินิจฉัยเหตุผลแห่งชีวิตดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี่แหละมเมื่อได้สะดับตับฟังแล้วก็ขอให้จดจำอุปา่ า, า, า น, นนาะเหล่านี้เราไปลงมือปฏิบัติก็จะบรรเทาเสียซึ่งกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียได้ ล้วก็จับคนทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา